นี่มีบางคนที่อาจจะเคยปฏิบัติแนวหลวงพุทธิยานมาแล้วหรือว่าเคยปฏิบัติแนวใดแนวหนึ่งมาแล้วในนี้มีใครไหมที่ยังไม่เคยประคัดปฏิบัติรรมมาเลยมาในนี้เพราะว่าจะมาบวชพระอย่างเงี้ยมีไหมยกมือจะมาบวชพระยกมือมือลง ใครเป็นญาติของพระยกมือขึ้นอ่าพระมากันเดียวๆใครมาที่นี่เพราะตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคย ท, เทําแนวหลวงพุทธิยันบ้างยกมือขึ้นนะสองสามใครเคยปฏิบัติธรรมแนวหลวงพุทธิยันมาแล้วยกมือขึ้นนะอ่ามือลง การ น, นี้ก็เป็นการสอบถามกันนิดหนึ่ง เ, เพื่อให้มันสู่เป้าหมายที่มันตรงไปตรงมาของเจตนานที่ทุลกนก็มีแล้วก็พาตัวเองมานั่งอยู่ที่นีน่ด้วยความเชื่ออย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อวานฝนตกนก็แต่งตัว แตงองทรงจีวนสังกติเรียบร้อยมาไม่ได้ลมไม่มี <Yeah. S 1> คนรับบรการโอ้ฝนมันตกลงมาช่วงทาวัด <Yeah. S 1> คงจะมีพระมาทาวัดกันอยู่ <Yeah. S 1> ที่นี่มันไม่ขาดไม่แคลน <Yeah. S 1> พร ะ, ะพระทุรูปมาที่นี่ก็ตั้งใจ ที่จะฝึกตนกันรูปแบบไทยรูปแบบหนึ่งวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วแล้วด้วยความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าสมัยก่อนก็จจะมีพระอยู่ในวัดเช่นเจตวัน วันนี้เคยไปมา4ี่ครั้งแนละ้ววัดเจดตะวันในอินเดียเนะี่ยกวา้างทีเดียวมีประสงค์จำนวนมากนะเห็นรากอิฐซากประหลักปังที่ขหายมซ่อมให้ถูกต้องตามสถาปัตยกรรมของอินเดีย ตรจุตรจุดตรจุดตรงไหนเป็นกุฏิพระเจ้าตรงไหนเป็นกุฏิของโมกขาสารีบุตรเขาก็จะมีแบบนั้นะ น, นะอานนท์ป้านนอะไรแล้วตรงไหนเป็นของพระป่าหมากับสปะตรงไหนเป็นของอะไรละเกินก็ไม่รู้รู้สึกมกขาสารีบุตรนี่ไม่มีนอกนั้นก็จะมีอยู่ ตรงไหนคือใกล้ชิด ต, ตรงไหนคือห่างเหินที่ว่าห่างเหินก็จะมีพระต่างๆที่ไม่ทาตามกฎเกณฑ์ของพระวินัยต่างๆอย่างเช่นฝนตกมาวานเนี่ยจิตมันก็ไปนึกถึงวันที่นางวิสาขาถวายผ้าอาบน้ำฝ น, นำมาวามันก็นั่ง ฝนตกแบบนี้ลรอมั้งที่พระสงฆ์ไปเล่นน้ำฝนกันปลวยกายร่อนจอนแล้วก็เลยอุจจาตานัางวิสาจาก็เลยบอกเออขอถวายพระอาบน้ำฝนได้ไหมพระธงก็ท ร, มรงมีพุทธานุญาตแล้วเออได้ทำเป็นพระป่ า, ปากันแล้วกันออก็เลยกแกว้ไว้ในป่า ประสง์ก็ไปชักผ้าเม้งสกุลนี่นึกถึงแบบนั้นมีกรอบมีภวินัยเกิดขึ้นมาตนนั้งแมาประสงค์ก็เลยไม่เปือยกายลอนจอ น, นมีผ้าอาบน้ำฝนกลุ่มนงสวมมากมายที่จะต้องมีกรอบอย่างเช่น ผ้าบวชใหม่เนี่ยยืนปัสสาวะก็ไม่ได้อาบัดไม่ได้มาในาพระปฏิโมกเป็นรายละเอียดยืมดื่มน้ำก็ไม่ได้ญาติโยมอยู่ในวัดเนี่ยก็เหมือนกันแหละอีกหลายก็ที่จะต้องเรียกว่าทำให้มันครบถ้วน ที่นี่ประสงค์ท่านไปไหนท่านก็จะมีผ้าคลุมนะญาติโยมอยู่กันเยอะเลยพรวัดวาลานผู้หญิงอยู่เยอะมากกว่าผู้ชายปฏิบัติตลอดรุ่นต่อรุ่นผู้ชายน้อยผู้หญิงมากก็วัดก็วากันที่นี่มันมีแค่ต่างๆที่วุ่นวายแล้วก็ไม่วุ่นวาย ที่วุ่นวายก็มีแถวแเขตสล า, าน่านะฮะ น, นันเป็นเขตกลวาดที่เรียกว่าเขตกลาวาดคือคามาวาสีเนีเขตชาวบ้านที่เข้ามาทําพิธีกรรมเข้ามาทําบุญตักบาตรเขมาเพื่อที่จะทําอะไรก็ตามที่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านน่ะเนี่ยล้านสารพิษอะไรอย่าง้ยนะมันก็แบ่งเป็นเขตเลย เขตแม่ชีเขตพระสงฆ์กับเขตนี้เขตพระสงค์จะไปมั่วกันแต่ตอนหลังนี่มีมาแถวๆนี้กันจริงๆก็สมมุติเป็นแต่บโบราณมากมายนะแต่ว่าให้กล่าว่าประชุมอย่างเนืองนิดเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะเป็นมงคลเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะใช้แล้วบางทีคุณภาพของความคิดมันไม่เท่ากันพวกมากลากไปก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่ากัน ที่นี่มันจะแรงอย่างก็คือพอเราไม่ใช้กติกาไม่ใช้กฎเนี่ย ม, มันก็จะมีความแรงของจิตความแรงความคิดความแรงของพฤติกรรมมีความแตกต่างกันสูงบวกกับลบเลยสุดขั้วไอ้ตรงนี้แหละจึงใครก็ตามอยู่ในนี้ก็ควรมีความรู้สึกตัวให้จิตของเรามารู้เนื้อรู้ตัว มันจะเกิดสภาวะของความสมดุลขึ้น ม, า ก, มนกนาก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเองอะ่ะมันจะแก้ไปเองต่างคนต่างมารักษาตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัว เ็เห็นส่วนหนึ่งญาติโยมที่มาก็มาปฏิบัติกันได้ถุนนี้เมื่อวานหลังจากฝนตกตอนช่วงใบใบก น, นาอตนาแต่ละคนแต่ละคนก็ตั้งใจตั้งอกกันเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะก็มีหมามานอนเดียวกันหมาไอตัวเขียวๆตัวนี้หลวงพ่อเขียนก็เค ย, เ, คยเอาไม้เท้าไล่ปลายันไม่เท้าหาักไปอันละ อาดมาก็ป่ามันกันมาหวานเอาหินป่ามันเพราะว่านึกถึงเลยสัตว์กับคนความสปกปรความสะอาดแล้วก็หมัดกับผิวดีๆของเรามันถูกกันที่ไหนล้วกัดกันไปแล้วโอ้เชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันรุนแรงขันก็เยอะไปหมดนะเห็บอย่าง้ย น, นะแล้วบางทีไก่ในพญาตขี้ลงพื้นนะพรพญาตทั้งนั้น เราไปเดินถอดรองเท้าหเหยียบมันก็พญ า, าติอุตสาหปูกระเบื้องแล้วรักษาไปหน่อยมันเป็นลักษณะของสิ่งที่ดีที่ทำให้เราเกิดความสบายความสะดวกแล้วก็ปลอดเชื้อทำให้อายุมันยืนยาวตรงนี้มันเป็นตัวปัญญ า, างนั้นเลยนะก็ว่าวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่า เยแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่รอจังหวะอยู่ <Yeah. S 1> คนก็ด่าเราเงี้ยเราไม่ว่าอะไรรอจังหวะอยู่ <Yeah. S 1> แต่จะแก้อย่างไงต้องอส่เวลานิดนึงมันไม่ใช่หักดําพลาด้วยเก่าหรือว่าเจ้าคืนแบบสะใจมันคงไม่ใช่หรอกมีชั้นเชิงมันอยู่ <Yeah. S 1> มันไม่ใช่ไฟเตอร์มาปั๊บชกเปลี่ยงสวนหมัดเงี้ยไม่ใช่อันนั้นก็เรียกปัญญาชน ปัญญาชนแต่อายชนก็ชนแบบหายตัวไม่รู้หรอกแต่าท้ายสุดปัญหาจะถูกแก้ไปไแล้วได้ละความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้แหละมันก็ดูแลสิ่งต่างๆฝ น, นตกมัดูแลแล้วตรงไหนน้ําจะไหลตรงไหนฝนจะลุว่วตรงไหนฝนจะสาดของจะเสียอะไร เ, น, เนี่ยมันก็จะดูแลแบบนั้ น, น, มนไม่วิจัยว่ารู้เฉยเฉยแล้วไม่ทําอะไร คงไม่ใช่แต่ในกระบวนการกระทำเนี่ยมันก็จะต้องมีการเรียกว่ารับผิดชอบอันนี้แหลมทําให้เกิดระเบียบเกิดวินัยเกิดกฎกติกามารยาขึ้นมานเกิดระนาของวิชาการขึ้นมาเก็บสถิติจนได้ข้อสรุปมาเป็นอย่างนั้นจริงๆข้อไขวิชาไข ว, าวิชาเนี่ยไขวยความรู้นะ แต่รู้โลกว่างรู้เนื้อรู้ตัวตัวกายตัวใจนอันนี้เป็นวิชาพุทธศาสนาที่กลับมาดูแลตัวเองแต่มันก็มีศาสตร์อื่นๆที่ว่ามานอกจากพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ทางโลกที่จะต้องอยู่กับโลกอย่างไรโลกไม่ช้าทำไม่เสียทำ เ, เรื่องใจเรา ความรู้สึกตัวนี่แหละมันคือคำตอบเมื่อรู้เราก็รู้เขาเมื่อรู้เราก็รู้โลกว่าเราก็คือโลกกายกว้างศอกยาวานาคืมข้างนอกมันคือโลกโลกคือแผ่นดินโลกคืออากาศธาตุมันมีธาตุรู้มันก็มีธาตุว่างแล้วก็มีธาตุหลงด้วยธาตุหลงเนี่ยพร้อมที่จะครอบงำเราได้ทุกๆุกขนาดเลยเพลินี่เดียวธาตุหลงครอบเลย เมื่อหลงมันก็ไม่ว่างหลงก็โกรธหลงก็โลภหลงก็รักก็ชังหลงแล้วมันกเกิดความสงสัย ล, ลังเลขึ้นมันก็คือโมหานั่นแหละจะไปทางไหนดีไปทางโลภดีรีไปทางโกรธดีโลภ ก, ก็เป็นราคาโนใสโกรธก็เป็นปฏิคาโนใสโมหะเป็นอวิชานุใส มันเป็นความไม่รู้ไม่รู้ล้มกอดไม่รู้ล้มก็โลบหลงมาลังเลมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตัวรู้ให้จานานจ้ะเพราะฉะนั้นวิธีหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะไปดูถูกดูแคลนอย่านี้นบอกกันมันเหมือนกับว่าถ้าใครทะเลาะกับวิคัตีการเนี้ยเราทะเลาะกับธรรมมาเลยละ่ะเพราะอะไรอ่ะตัวทำแอมเป็นเนี่ยเคลื่อนมือแต่ละอย่างวะเนี่ เดินจงกรมเนะี่ยแต่ว่าถ้าจะปฏิบัติให้มันเป็นเรื่องของความแน่เชื่อถือแล้วก็เหมือนกับสมัยพุทธกาลเลยก็ไปฝึกอาณาปานสติอย่างพระเจ้าสิไม่ต้องไปทำวิธีการอื่นแล้วฝึกอาณาปาให้มันเป็นกันแล้วกันดูลมหายใจยังต้เห็นลมหายใจเห็นสภาพของลมหายใจ16ขั้นทำก็ไปเล ทำไปแต่ว่านะพอเคลื่อนมือสิบสี่ชั่ววาเราเห็นว่าส่วนตัวนะอันนี้เป็นส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวเออนั่งเนี่ดีเวลายกมือแล้วมันง่วงนะมันรู้ทันทีเลยไวมากเลยนะเคลื่อนมือนะเจตนากล้านะเจตนามันแรงเบื้องต้นนะนะอย่าเพิ่งไปทิ้งคำว่าเจตนาหาว่าเจตนากระทําทำให้ติดรูปแบบไม่ใช่ ถ้าเราเห็นตัวเจตนาจริงๆเราจะรู้ว่าอ๋อเจตนากําหนดในตัวนี้นะมันเป็นเบื้องต้นจะทําอะไรก็ต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นก่อนเห็นตรงก่อนถ้าไม่เห็นตรงไม่มีปัญญาระดับเห็นตรงไม่ต้องไม่ทําอะไรแล้วจะคิดจะพูดจะทําอะไรมันก็เป็นความชั่วไปหมดนะตามสัญญายานตามนิสัยความเคยชินหมดเลยแต่พอมีเจตนาจะทําอะไรก็ต้องไข่ควรดีไม่ดีเป็นยังไง ใครควรพิจารณาก่อนจะมาทําวัดเช้าอย่างเงี้ยเราก็ใครควรพิจารณาเออทำวัดมันดีตรงไหนหลายคนก็บอกว่าฉันไม่ตื่นเช้าได้ไหมเวลานี้เป็นเวลานอนอยู่นะี่ยนอนแล้วสบายปราณั้นเราใครควรอยู่นี้คือวิถีของชุมชนอย่างเงี้ยวัดป่าสุกโตอย่างเงี้ยถ้าอยากนอนสบายนอนอยู่บ้านตื่นกี่โมงก็ได้มีใครว่าหรอกแต่เป็นพระแล้วชีวิตชุมชนเนี่มันต้องขนาดไหนก็ตาม ต้องลุกขึ้นมาได้ว่ามันเป็นเวลายามสามนะเราเชื่อว่าเจ้ากำลุทำตอนนี้แหลนะไ อ, อย่างพลังชีวิตต้องตื่นตอนตีสามเป็นต้นมาเพราะว่าปอดมันกําลังทํางานอยู่มันเริ่มต้นชีวิตเขามันวันใหม่นะหายใจพลังของโอโซนของออกซียนเข้าไปอัดให้เต็มนะมันก็มีเรี่ยวมีแรงจะขี้เกียจนะตอนเวลาตื่นตีสามเป็นต้นมาจะมีอาการขี้เกียจอ้อยอิงกับที่นอนมาก เลยมีศีลแปดมาจำกับเอาไว้อุจจาัยนะมยนามหมาไส ย, ย ไ, ไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่นอนล้มติดสุกติดที่นอ น, น, นของเรานี่สบายนะเสื้อผือนหมอนใบก็แข็งนอนแบบธรรมชาติเลยก็โดกก็ไม่เสียยเงี้ยโอ้เราก็รู้แล้วทำวัดตอนเช้านะโอ้มันดีขนาด น, นี้นนอากาศก็สบายตื่นมาก็แจมใสตอนเช้านอนก็หัวค่า ไม่เกินสามทุมกให้นอนเพราะพระวัดเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์นไม่มีการเรียกว่าหาเรื่องมากลางวันมันปฏิบัติธรรมเต็มที่ตั้งแต่เช้าตีสามยนนันสามทุ่มเนี่ยมันก็หมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็จะพักแล้วสองทุ่มก็จะนอนแล้วอย่างเงี้ยก็อิ่มเก้าสิบสิบเอสิบสองอะไรหนึ่งสองสามกี่ชั่วโมงหกชั่วโมงนอนหลับ เกินพอสี่ห้าชั่วโมงก็หอิ่มแป้แล้วจิตตกพระวังนะนอกนั้นกอกสองก็นอนไปฝันไปสิ้นเปลืองพลังงานเนีเราก็มาฝึกหัดตนกันอย่างเนี้ยนะไม่ว่าจะถือบวชสินห้าสินแปสินสิสินสองยี่ิบเจ็ดสามร้อยสิบเวดจะกี่ก็ยังันเอเมื่อปริบธรรมมีความรู้สึกตัวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนั้นนะความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นคาตอบ ตอบได้ทุกโจทย์ น, นั่นแหละพอความรู้สึกตัวนี่มันเป็นศูนย์รวมขอสติศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาศีลสมาธิเอาอะไรออกหน้าก็ได้ไม่จําเป็นต้องบอกว่า อ, อจะต้องศีลสมาธิปัญญาเรามีความรู้สึกตัวแล้วมันก็มีทุกอย่างนั่นแหละสติก็มีศีลก็มี สมาธ asa, RJ, ิก็มีปัญญาก็มีสัมัญญาก็เกิดมากมายเหลือเกินมันรวมในความรู้สึกตัวอยู่แล้วถ้าทำเป็นก็เลยมีความเห็นว่าเออทำให้เป็นดีกว่าเดินจงกลมก็ได้รู้สึกตัวสร้างจังหวะก็ได้รู้สึกตัวดูลมหายใจก็ได้รู้สึกตัวจะมีปัญญาแล้วไปทำงานมันก็ทำงานได้ปัญญานะ มีสัมมาทิฏฐิออกหน้าแล้วก็ทำงานไปด้วยความถูกต้องมันมีอุปสรรคมันก็แก้ไขได้ผ่านได้อันนั้นมันมีปัญญาแล้วก็ไปลุยโลกเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ถึงความสวัสดีตลอดตกหน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเอาตัวรอดได้อยู่หรอก อีกตัวหนึ่งก็คือลักษณะของที่เรามาฝึกหัดให้ความรู้สึกตัวมันเกิดสติขึ้นมาก่อนสติคือเรารู้รู้รู้ตัวยังไม่รู้ยัะไม่รู้อะไรได้ตัวหยาบยังไม่รู้ถ้ามันรู้สึกตัวการเคลื่อนรู้สึกตัวมันมีสติมันก็มีศีลอยู่ๆมันจะมีศีลมันศีลสังคมศีลสมมตินะพูดเอาแต่ถ้าเราฝึกสตินะ มีสติมันก็มีศีลนั่นแหละคือความเป็นปกติเกิดขึ้นมามันมีความปกติเกิดขึ้นมาศีลเกิดขึ้นมามันก็เกิดความตั้งมั่นของจิตขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยพอมันถึงตัวนี้ปั๊บก็สังเกตเธอมันเกิดความเบาขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าอิ่มขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองได้แน่นอนมีความสุขง่วงก็ไม่เคยง่วงนะถ้าถึงตรงนี้ พอมีสมาธิจริงๆตั้งมั่นจริงๆกับสิ่ ง, งที่ทํามันก็เราทํางานที่เราชอบแล้วมันก็ได้อารมณ์ไปเลยทางานแล้วแม่มันมีอารมณ์ทํางานหิวก็ไม่หิวจะไปไหนก็ไม่อยากไปอยากให้งานมันเสร็จอย่างเงี้ยความรู้สึกตัวก็จะเป็นอย่างเงี้ยการยกไม้ยกมือนะอันนี้สําหรับคนที่กําลังเริ่มต้นทําให้มันถึงทีงเดียหรือว่ายังไม่ได้สัมผัสกับตัวเนี้ยนั่งดีไล่ง่วงทุกที ท, ทําดีไล่ง่วงทุกทีนะ แสดงว่ามันยังวางใจไม่ถูกยังไม่ผ่านตัวเบื่อตัวง่วงกําลังของสมาธิที่จะแนบไปกับความรู้สึกตัวจะต้องเกิดความพอดีเกิดความเป็นกลางแต่ถ้ามันแนบไปกับกายอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็จะมีปฏิญาณนิดหนึ่ง อาการหนักๆอาการที่มันมึนๆอาการที่มันงกงวก่วงว่าจิ๋นตกพวังอะไรเงีนนะ้ยแต่มองในแง่ดีก็คือก็ดีแล้วไงเอาไปใช้ตอนที่มันจะหลับแล้วมันนอนไม่หลับกลางคืนจะนอนแล้วมันก็นอนไม่หลับนะก็มารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสมัยก่อนจำได้ว่านะมีย๊กกลางหนึ่งนะชื่อหลวงพี่ปีดี บวชวันแรกเลยนะมาเจอกันหลวงพี่ปีดีเข้ามาที่วัดป่าสุกตท่านก็นอนไม่หลับเป็นคนหนุ่มบางทีกลางคืนนะท่านบอกท่านนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเลยก็เคยไปบอกท่านว่าเนี่ยให้มารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะเวลานอนก็เคาะอก หรือไม่กระดิกเท้าเบาๆหรือแม้ก็ตามลมหายใจเข้าออกเบาๆอยเงี้ยแกบอกท่านอย่างนั้ยนะท่านก็นเคยใช้ได้ผลมาแล้วพอวันลงขึ้นไปถามว่านอนหลับสบายดีแต่ในขณะที่เราบอกเขาแล้วเขานอนหลับสบายเดียวเรากลับนอนไม่หลับโยมพอมาถึงเวลางคืนเนี่ยนึกถึงก็ว่าหลวงพี่ปีดีนอนหลับอย่างน้อเราก็ไปคิดอ่ะนะ พี่ปีดีนอนหลับยังนาะในป่านเนี่ยอยากจะไปดูคืนเราเลยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นเลลืมไปเป็นห่วงคนอื่นลืมตัวเองวันนั้นเนมันช่วยได้หรือว่าเรามองแต่งแงด่ดีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะปฏิบัติทุกทุกตัวเนี่ยเมื่อเรามีสติแล้วก็หยิบ ม, มาใช้ในวันหลังเราจะรู้ห อ, อมเป็นของดีทั้งหมดเลยเ ใช่ระวงังใช้ระวังเราไม่ได้ทิ้งทิ้งกวา้างๆตรงนี้แหละมันเลยคือความสมดุลสร ร, รรสัตว์ส ร, รรสิ่งต่างๆเขาก็จะอยู่ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็จะตอบเองแล้วเขาคือใครอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บภาวะผู้ดูนะมันก็จะรู้จักเลือกนะอันไหนสมควรหยิบ ม, มาใช้อันไหนไม่สมควรหยิบ ม, มาใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรที่สมควรได้อะไรที่ไม่สมควรได้อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ อะไรที่ได้มาแล้วนะเอาวางไว้อย่างนั้นก่อนรอจังหวะที่จะใช้อะไรที่เห็นว่าเอออยู่ใกล้ตัวแล้วมันอันตรายทิ้งทันทีขณะนั้นนั้นวิธีทิ้งก็คืออาจจะอายะสมทานะการจำหน่ายใจแจกนะอย่างเงี้ยมันมีอยู่การที่ส่งคืนสลัดคืนเีย หรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมีแล้วมีแล้วนะ น, นี่ เ, เก็บไว้ใช้ใเธอสลัดคืนไปเลยไม่เอาหรือไม่ก็เฉยๆต่างคนต่างอยู่เหมือนกับมันไม่มีตัวตนไปเลยวางจากความหมายความเป็นตัวตนไปเฉยๆกับสิ่งๆนั้นนมันก็จึงเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน มันดูกายมันก็วางกายมันเห็นความรู้สึกที่กายกายยาวิญญาณถ้าใหม่ๆเนี่ยให้สังเกตเธอการเคลื่อนมือนำคือการเคลื่อนไหวที่มีความรู้สึกคือกายยาวิญญาณมันจะสอดคล้องกับปฏิยาการเคลื่อนปฏิยาการเคลื่อนน่ยสังเกต ด, ดูดการเกรงการคลายมันก็จะมีกายยาวิญญาเนี่ยแสดงออกมาอย่างน้อยๆเรารู้จักกายยาวิญญาละตัวหนึ่ง มนวิญญาณก็คือภาวะที่มันรู้อยู่รู้ว่ามีความรู้สึกมีสติระลึกรู้ความรู้สึกมันเป็นธาตุรู้มันก็รู้รู้สึกนะสองตัวนะขณะที่เคลื่อนนะ่ยไม่ทราบว่าสัมผัสตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าได้สัมผัสก็คือมันก็เริ่มต้นแล้วแหละเริ่มจะได้วิธีปฏิบัติ ว่าวิธีปฏิบัติไม่ใช่หลักปฏิบัตินะมันเริ่มจะได้วิธีปฏิบัติแล้วรูปแบบปฏิบัติแล้วก็รู้วิธีปฏิบัติอ๋อการเคลื่อนเนี่ยมันมีภาวะของการเกรงการคลายอยู่ดุลก้อนก็ส่วนหนึ่งเป็นาธาตุขันแต่ว่าไอตัววิญญาณเนี่ยเลยมันซ้อนอยู่อย่างนี้นะภาวะที่ดูเฉยเฉยอ๋อนี่ตัวสตินี่อย่างเงี้ยมันดูเฉยเฉยรู้เฉยเฉย มันไม่ใช่รู้แบบมีอาการง่วงๆปลอมๆปนๆ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่นะอันนั้นครึ่งรู้ครึ่งหลงมันมันจะเป็นลักษณะของมีมีกิเลสหรือว่านิวรธธรรมนะเข้ามามันรู้มันจะเป็นรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสแต่ถ้าเรารู้กลางๆและสังเกตเป็นความปกติมันจะมีความผ่องใสอ ย, อยู่ด้วยในจิตมันจะธรมธรมดาธรรมๆแล้วใสๆเกลีย์ๆโลง่งๆอยู่ มันมีความผ่อนคลายก็ต้องสังเกตเวลาเข้าไปอยู่การลมสมถามานันจะมีการแบบคลุมๆ ม, มีการแบบเพ่งๆมืนๆอันนี้เป็นของแถมให้แต่ถ้าเราสังเกตได้ถอยๆ อ, ออกมาแล้วมันก็ทําถูกนี้มันก็เห็นความเป็นปกติผ่องใสนี่เป็นรางวัลที่ทําถูกก็สังเกตเอาไปลำเพอแว็บอา้าว อันนี้ความคิดเนี่ยเลวลามันคิดน่ยแล้วก็เห็นเจนกระทั่งความคิดดับไปอย่างเงี้ยนะอะรามเริ่มได้ลองรอยแล้วเริ่มได้หลักปฏิบัติเงี้ยเราจะสังเกตได้ทันทีดูกายเอาเกิดความคิดขึ้นมาพอมาดูกายออาเกิดความคิดขึ้นมามันก็ไปดูความคิดนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ดูมันก็รู้ดูนี่ถือว่าเป็นสภาวะที่สมบูรณ์แบบ รู้นี่ก็หมายถึงว่ากําลังที่จะเข้าที่เข้าทางมารู้สึกที่กายรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายมันก็ยังไม่เห็นสภาวะของการว่าใบของจิตอย่างเงี้ยมันก็ยังรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายพอเกิดจิตคิดขึ้นมันก็ไปรู้ทันความคิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เบื้องต้นเบื้องต้นของการที่มันจะเดินทางแล้วแต่ว่าผู้ใหม่หรือคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังทําไม่เป็น มันเคยอยู่กับความคิดยังไงพอมารู้สึกตัวมันก็อยู่กับความรู้สึกตัวอย่างนั้นแหละอันนี้เรียกว่าอารมณ์สมถาเต็มเต็มเลยไม่มีสมถาก็ไม่มีวิปัสสนาเพราะนั้นอย่าไปปฏิเสธปฏิเสธลังเกียจสมถาไม่ดีสมถาทําให้ไม่เกิดปัญญาไม่มีสมถาก็ไม่มีวิปัสสนาสมถาวิปัสสนามาด้วยกันไม่มีหลงก็ไม่มีรู้เพราะว่าหลงให้เกิดรู้ขึ้นมาไม่มีความคิดมันก็ไม่ได้หลักปฏิบัตินะ อีกคิดมากเท่าไหร่รู้มากเท่าไหร่นั่นแหละมันก็คือการเดินทางเราก็เลยไม่ยอมเสียเวลากันหรอกนะไม่เกี่ยวกับหลวงปู่เทียนตายไปแล้วหรือว่าพูดเจ้าเกิดมาสองพันหยปีหรือว่าหลวงพ่อมเขียนไม่อยู่วัดหรือว่าอาจารย์พระไม่ปฏิบัติกันหรือไม่อยู่ใกล้ๆไม่เกี่ยวมมนเกี่ยวว่าเรารู้หรือ ย, อยังว่า วิธีปฏิบัติเนี่ยมันทำยังไงก็ฝึกหัดเอาครูที่ดีที่สุดก็คือตัวเองสอนตัวเองกันครูพักรักจำนี่ดีเวลาได้ยินได้ฟังใครก็สนทนาธรำลองเงี่ยหูฟังดูหรือว่าหลวงพ่อกคำเขียนท่านมาเวลาท่านพูดแต่ละประโยคลองเงี่ยหูฟังดูตรงนั้นน่ะมันจะจําแม่นแล้วก็มันจะทําให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติอย่างมากน แต่อยู่ประเทศให้ฟังยาวๆหรือบางที่ฟังสื่อยาวๆยัดเยียดแทนที่จะนั่งฟังเหมือนกันห่วงเหงาเหงานอ น, นแทนที่จะเกิดปัญญาเกิดปัญหาจัตธาตกเบื่อการรมวัดสวดมนต์การฟังเทศฟังธรรมเมื่อกลายเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความเสื่อมก็เสียเวลาชีวิตแล้วนะนะเราก็เลยต้อง เรียกว่าปยาญาไม่เผลอฝนะึกรู้สึกที่ฐานกายไม่เผลอจนกระทั่งมันเห็นเวทนาเห็นกายมันก็วางกา ย, กายเห็นเวทนาก็วางเวทนามันผ่านมันก็จะได้คำตอบยิ่ยงๆขึ้นไปเห็นจิตยังงนะจิตเดิมแท้ก็มไม่ได้มีอะไรหรอกนะมันพร้อมที่จะสุขพร้อมที่จะทุกข์ถ้าไม่มีสติไม่มีการระลึกรู้ที่ฐานกายนะก็คือมันเป็นลนักษณะของอุเบกขา อาสุขอาทุกเวทนานั่นแหละนะมันก็จะมีอย่างนี้พร้อมที่จะสุขพร้อมที่จะทุกนะแต่พอเรามีความรู้สึกตัวเท่านั้นนะมันก็เออพร้อมที่จะเกิดปัญญาขึ้นมามันก็เห็นอาการของจิตเวลามันคิดไปหรือว่าวาดไหวไปทางตาบาลต่างๆตาหูจมูกลิ้นองี้เพราะมันคืออายตนะภายนอกภายใ น, น, นเวลากระทบสัมผัสกันมันมีความรู้สึกที่กายมันก็มีความรู้สึกที่ตามีความรู้สึกที่หูอย่างนี้ ทุกครั้งกัรกระทบมันมีผัสสะมันก็สัมผัสได้จากยาไปหาละเอียดนะเาเวลามันคิดมันปรุงมันแต่งอันนี้ก็ชัดเจนเลยมันคือความคิดเวลาหลงเผลอเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นละปรุงแต่งมันก็จะเห็นเป็นธรรมชาติต่างๆเป็นความบริสุทธิ์ต่างๆที่เราก็ดูดูและเห็นนนแล้เราก็ไม่เข้าไปเป็นในการต่างๆจึงเกิดขึ้นมา เพราะว่ามันมีความรู้สึกตัวมีภาวะผู้ดูอยู่สติมันคือตาในจริงๆริมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาขันนิมก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลซ้ําแล้วซ้ําเล่าง่วงแล้วง่วงเล่าก็ผ่านแล้วผ่านอีกเยปวดแล้วปวดอีกก็หลุดแล้วหลุดอีกหรือว่ามคิดแล้วคิดอีกก็รู้ทันแล้วรู้ทันอีกฉะนั้นเกิดภาวะผู้ดูขึ้นมาต่างคนต่างอยู่ก็เหมือนกับความคิดทําอะไรใจเราไม่ได้มันมีอยู่ ความคิดนะมาแบบฟุ้งซ่านเล็ก ๆ, ๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเกิดดับเกิดดับมันก็คิดขึ้นมันทั้งวันนะ่ะนะเราก็รู้อยู่ทั้งวันนะ่ะนะดูเห็นอยู่ทั้งวันต่างคนต่างอยู่อย่างเงี้ยคิดแล้วบางทีเราก็ไม่ได้ไปสนใจใส่ใจนะที่จะทําตามความคิดพูดตามความคิดนะรั้วคิดต่อไปเพามันเสียเวลาแล้วเห็นอาการของสติที่เขาน อยู่ในฐานของเขาก็คือภาวะฐานของผู้ดูเห็นาก<ขอ>ารเกิดดับเป็นพัฒนยรักทั้งหมดมันก็เป็นคุณภาพของชีวิตเราที่ต่างคนก็ต้องต่างเดินกันเราเองเป็นครูสอนตัวเองกันอะไรเห็นว่าสมควรแกเวลหาเรากลาบมาพร้อมกัน